Thank you. นณีหลวงพ่อก็มีโอกาสไาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดโสบณ น, นี้แล้วก็พวกเราก็มีการปฏิบัติปูชาอาจียะปุชาสิบสองปีที่ผ่านมาด้วยหลวงพว่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่น่าหลวงพ่อไม่เคยมาที่นี่เลยซึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ยัง มีศรัทธาต่อที่นี้ได้ทราบข่าวได้รู้กันอยู่ก็หวังว่าเป็นดีเพึ่งของชาวพุทธทั้งหลายได้าไมาเห็นแล้วก็ชื่นใจไม่ใช่ยกย่องเป็นความจริงแต่ญาติโยมทุกคนก็สมุนแบบมายอมเอาความสอนนิสัยปัจจัยต่าง ปอยู่ที่ญาติที่โยมแล้วถ้าจะว่าก็ศาสนาไปเป็นจุลงที่กายวาจ่าย ใ, ใจของญาติโยมแล้วนั่งให้ดูเตือนให้ดูเขียมรยาต่างๆก็ใช่แล้วก็ อ, อบอุดใจดีเสียงพ่อเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วติ้งแข็งคอแห้งหูก็หนวกมันตายคืน อาจจะคืได้ชีวันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเป็นหนี้ประเทศชาติมากเวลานี้เพราะหลังจากการเจ็บแผลได้ป่วยเนะี่ยต้องพวกเราทุกคนก็สร้างสิ่งแวนลอ้อมมีกระลมิดให้กับหลวงพ่อได้พอสมควรแต่พ่ อ, อาจารยังเคยรักษาหลวงพ่อด้วยคนหมอที่ลงไว้บาลจุฬา ไอ้พู้ได้ฟังว่าอาจารย์สิริยาทราบว่าหลวงพ่อมาอยู่ลรงพยาบานบอกให้หนูมาดูแลหลวงพ่อโอ้ยชื่นใจเ็าเรียกว่าจากด้านใจของพวกเราที่ที่นี่ไปถึงหลวงพ่อที่อยู่หลวงพว่อจุลาหรือหลายคนในคนไทยทั้งชาติวันนี้อาจารย์ให้หลวงพ่อมาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟัง ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากดอกเพราะว่าอาจารย์ก็สอนอยู่แล้วจะพูดบ้างเล็กน้อยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกัรปฏิบัติบ้างพอสมควรสี่สิบกว่าปีมาแล้วก็เป็นลูกพ่อเดียวกันกับอาจารย์สุริยาถือว่าอุ่นใจสบายใจแม้แต่พวกเราทุกคนด้วยการปฏิบัติทมนี่ เราไม่ต้องรงเลงสงสัยหรอกโดยเพราะการจราชาติปฐนเนี่ยเป็นสูตรมาตั้งแต่สมัยขรงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแม้วันนี้เราจะมีการปฏิบัติปุชาพระอาจารย์ก็าตามมันไปไกลกว่านั้นก็ปลายแถวมันถึงอาจารย์สุริยาผัวจำมันถึงอาจารย์สุริยานี่ เขาก็มาเป็นทอดทอดมามายกหลวงพ่อเถียนจิตติสโพอาิาญา์สุยาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเถียนจิตติสโพเห็นภาพประดิษฐานอยู่ที่ตรงโน้นในครึ่งศตวรรษมาแล้วห้าสิบกว่าปีถ้าเรานับไปก็ถึงพระพุทธเจ้านนสองพันสามพันปีมาแล้วไม่ต้องสงสัย ทุกคนไม่ต้องสงสัยพี่ส่วนดูเป็นเช่นนั้นเองความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเนี่ยสัมผัสดูเป็นอย่างไรมีคาถามไหมเวลาใดที่เรามีความรู้สึกตัวเวลาใดที่เรามีความหลงอะ่ะมันต่างกันไหมต้องถามอาจารย์จุลยาหรือเช้นเรามือบางไว้บนเขาเนี่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 ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขออะไรเป็นการสัมผัสเอาปัจจัตตังลู่เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เห็นได้เดี๋ยวนี้สัมผัสได้เดี๋ยวนี้เฉพาะผู้ปฏิบั ต, ติให้กันไม่ได้บอกกันไม่ได้ตัวใครตัวมัน จ, จึงจำเป็นต้องมาทำอย่างนี้กันโรอไม่ได้ถ้าเราจะมาดูแล้วตกใจเวลาใดที่เราโกร๋ะ โูเรายี่สิบสามสิบปีไม่เคยมาลู่เรื่องนี้เลยก็ตือลือลน้นพอลู่โดยเฉพาะจ้างจนะังหวะสิบสี่จังหวะลู่หนึ่งลู่หนึ่งลู่หนึ่งมันเจ็บเอาเจ็บเปาเจ็บพอเหมือนเราเจ็บกันเจ็บของก็ได้มากขึ้นอย่างจริลู่แต่ละครั้งการยกเบอร์จ้างจังหวะเนี่ย ประมาณวินาทีหนึ่งหรือชากว่านั้นไม่นานพียไหมง่อยเหมือนทำมาดึกไปทำนาก็เสี่ยงทำไรก็เสี่ยงไปหาอะไรก็เสี่ยงแต่ว่าจารเจริญสตินี่ไม่ต้องเสี่ยงเลยเดี๋ยวนี้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัจจัตตังอย่างนี้ไม่ต้องเสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้เองแต่รู้ทุกวินาที จังหวะ1วินาทีหรือชาวนิดต่อยชั่วโมง1นึหกสิวินาทีเออเท่าไหร่สามร้อยหกสามร้อยหกสิบวินาทีรู้ชั่วโมงหนึ่งอ้าสามพันก็ไม่รู้เอาชิดเอาจีชั่วโมง1มันจะได้จีรู้ลองดูนะพิสูจกันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเรา ไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเทียน่ะผู้ใดมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเขาก็ไปกันเดงแล้วเขาสอนตัวเขาไปรั่งสอนกันนอนเฝ้ากันยืนหน้าห้องหน้ากระดานเหมือนนักเรียนกูสอนนักเรียนว่าแต่ใครมายกมือสร้างใว่าให้รู้สึกตัวไม่มีใครไม่รููดั่งเน่ะเอามือวางไว้บนเก่าก็รู่อยู่ยกประแขง ม, ขมือขึ้นก็ลู่ยกมือขึ้นก็ลู่เนี่ยมันลู่เองเงย เป็นอะไรที่เขารู้สึกตัวเขาก็สอนตัวเขาแล้วเขาหลงก็ได้บทเรียนจากความหลงเขาจะสอนให้เราเขารู้ความหลงสอนให้เขารู้ไม่เสียหายเหมือนกับจําำอื่นแล้วประจําเงินถ้าหลงก็หายไปเลยเช่นหลงเงินหลงนาฬิกาหลงอะไรต่างๆหายไปเลยแต่ว่าความหลงตัวเนี่ยถ้ารู้สึกตัวมันเอาคืนมาได้ ยิ่งดีประสบการณ์กับความหลงเนี่ยมันดีอะไรก็ตามมันเป็นสากลความรู้เนี่ยความรู้สึกตัวจะเป็นความทุกข์ความรู้สึกตัวนี้จะเป็นความสุขครู้สึกตัวนี้จะเป็นความพอใจความไม่พอใจความรู้สึกตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวเฉลยได้ทั้งหมดเลยเนี่ย เราเจ อ, อยังไงกันไม่ต้องมาเชื่อหาเหตุหาผลอย่าหาคบตอบจากความคิดปฏิบัติเนี่ยหาความคิดเหตุผลมาตอบไม่ถูกตอ้องเป็นการสัมผัสเป็นการคิมเอาบรนทุกก็รู้เั็กบรจุก็รู้มันรู้ก็รู้มันไม่รู้ก็รู้ที่เราว่ามีปัญหาปัญหาต่างๆไม่ใช่เลย ถ้าเราเจริญสติจริงๆไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญญาด้วยปัญญาเกิดจากเจงเหล่านี้อธิบ ว, ว่าปัญญาเกิดจากกองสังขารสังขารทั้งหลายสิ่งรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาธิตั้งใจบ้นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือกายสังขารจิตตัดสังขารมันบีบเยอะมากเาย เรารู้ปัญญาเกิดตรงนี้พราใช่ไปทัศนกรจรทัศนศึกษาที่ไหนแรงปัญญาถ้าจรินแล้วว่าตู้ปฏิปปุกก็ได้เอากายเอาใจเป็นตำร า, าเอาสติเป็นนักศึกษาดูเข้าไปดูเข้าไปให้มันเห็นให้มันเห็นนะไม่ใช่รูนะ้แการสอนให้เห็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเอง อาจารย์ท่านเขาสอนสอนอยู่แล้วการสอนในรู้สอนง่ายไม่ถึงในรู้เปล่าพิไรการสอนนี่เห็นนี่เนี่ยในกายของเราในใจของเราเนี่มันจะแรงออกมาท่าไหนแบบใดเราเห็นมันเรียว่าพบเห็นต่อหน้าต่อตากันเลยถ้าดูให้ชัดนะถ้ารู้สึกตัวกับความหลงอนะ่ะมันต่างกันอนะ มันไม่มีใครเอาความหลงลงุเพราะเขารู้สึกตัวแล้วดีถ้ามันหลงลงไปมันจะหลงแบบไหนทางใดได้ไหมาความรู้สึกตั ว, วเนี่ยเราจึงว่าศึกษากันมเลืนตาดูตาในของเราคือสติสัมปชัญญะให้รู้สึกสร้างความรู้สึกขยันภาวนาคือขยันรู้ ไมใช่ไปท่องบนกรรมฐานคือตั้งไว้มีการกระทําวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราไม่ต้องไปคิดหาคำตอบมันเป็นไปเองเราเห็นเองอย่างที่เราสวดบางทีเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเร า, เราตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นจิว่าเห็นธรรม ผู้ใดเหตุทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจบุพบาทผู้ใดเห็นปฏิจจบุพบาทผู้นั้นชื่อว่าเหตุทำเนี่ยปฏิจจบุพบาทคืออะไรหรือมันเรื่องด้วยกันเกิดขึ้นอยู่ที่กาที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่นอกจากกายจากใจเราไปเราจึงก็ตื่นเราร้อก็ตื่นลราร้นมากเหมือนกับรีบ ด, วด่วน มันได้ดังใจมันได้ดังใจไม่มีการไม่เบเวลาตัวรู้จักตัวเนี่ยไม่เป็นของคนดุ่มไม่เป็นของโแจัยไม่เป็นของพระของคารวะไวเชิลัตินี่กายใดถ้าใช่เพศไปถ้าใช่ศาสนารัติอะไรชาติใดไม่เกี่ยวหลวงพ่อเคยไปสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหลายชาติหลายภาษาอยู่ที่นั่น ใทยก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวอันเดียวกันเอา้าพฝรังก็รู้สึกตัวคนไทยก็รู้สึกตัวฝลังนับเสือสาสณาคิดหลวงพ่อก็นับเสื q, ส q, เอสารถาพูดอ้าเป็นความรู้สึกตัวกันขัดเอ้ยของคิดอันหนึ่งของพูดอัความรู้สึกตัวเป็นสากลเป็นของใครล่ะเป็นของทุกคนเคยไปถูกโขกข่มขู่อยู่ที่บดตั้นหมหาวิทยาลัยบดตั้น แล้วพ่อก็ทั้งสอนธรรมะอยู่ในห้องมันหนาวผู้หลังเดินมาประตูไปขี้หน้าหลวงพ่อคนรู้อะไรมาครูบาสอนที่ทําไมขอสัมภาษณ์ได้ไหมแล้วพ่อก็บอกเข้ามาเข้าม า, เข า, มาเขาก็เข้ามาเขามาประยืนอยู่สี่ห้าคนแล้วพ่อก็ขอมาขี้น่ะคนรู่อะไรมาครูบาสอนที่ทําไม <laughs> เหมือนกับเขาอิจฉาเราอะ เาก็สบายเราคนเดียวนะไม่ใช่มหมู่หมืนเด้อแต่หมูเด็ก็อู่ใจเราคนเดียวไม่ได้ผู้หลงตัวเท่าเด้ก็<ค>บอกเขานั่งลงนั่งเราก่อนเขาก็นั่ ง, ง, น, น, งนั่งมันนั่งกัจจามาตนั้นไม่เป็นเหมือนเราไปบังคับให้มันนั่งกัจจามาตไปข่มหัวเขามันก็โอยโอยโอยขามันแข็งมันนั่งแต่เก้าอี้ก็อบอกว่าเรารู้จกัจกตัวเองคนรู้จักตัวก็รู้จักหนัก เขาชี้เราเขาบอกให้เขายกมือสั่ ง, งว่ า, าเอามือวางไว้บนเข่าเลยจ้เอาตะยังมาข้างหัวขึ้นลู่ไหมภาษาฝ ร, รัง่งอาแวเอเวสิบสี่ยังวะสิบสี่ครั้งลู่สี่ครั้งภาษาไทยเราว่าลู่สึกตัวภาษาบาลีว่ า, าตสติความเลือกได้สามัญจะความหนึตัวภาษาความเราคือลู่สิบตัวก็ให้เขาทําอยู่สองรอบสามรอบ เขาถามว่าคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมโนโน no เอาคุณไปรู้อะไรล่ะคุณไปรู้อย่านี้คุณไปถึงลูกประจันแล้วคุณมันรู้สึกตัวเลยโนโนเจ็ดวันรู้สึกตัวสักทีไหมหนึ่งวันรู้สึกตัวไป n โนช้าวงหนึ่งรู้สึกตัวไปโนตายแล้วคุณเนี่ยคนได้เคลียร์เขารู้สึกตัวนี้คุณไปรู้โลกประจันมาแล้วไปเที่ยวพระจันมาแล้ว ศาสตราทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปอเมริกาเลยเพราะกคนดยเคียเขารู้สึกตัวนี้ก็ขู่มาเลยท่าถ้ามันมาขู่เราเราก็ขู่ันก็าถามว่าคุณจะพิสูจน์เลยเขามาเขาจะบมือเราเช็กันเช็กันอ้าวเชกันอะไรเขาจะมืจับทำไมเขาบอกว่าเขาได้คบกับบุคคลที่เขาคิดจากเจ้าพบเมื่อคุณพบแล้วคุณจะทอย่างไง เขาถามว่าคนจะอยู่นี่กี่วันแล้วจุดนี้อาทิตย์จะดี้ไปไหนนะพรนี้จะพาพ่อเราไปแล้วก็มาเปเพื่อนเลยพาพ่อมาปัดๆยกมือมันก็พวกเราเพราะนั้นานความรู้สึกตัวนี้ไม่เป็นของใครเลยเป็นสากลผู้สอนก็สบายผู้ทำก็สบายไม่ต้องหลอกกันได้หลอกกันมาได้ของจริงไห น, นถ้าเราเมาื่อวางวนเข่าเนี่ย เราก็ว่ามือของคนอยู่ข้างหลังพวกคุณเชื่อไหมคุณเชื่อใครคุณเขาเชื่อตัวเขาคุณเห็นไหมเขบาบอกเขาเห็นมืออยู่เนี่ยทําไมเรากบว่ามือฉันอยู่ข้างหลังฉันจะเชื่อได้ไงมันหลอกไปได้ของจริงหลอกไปได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันทันทีเลยถ้าเรามีความหลงเป็นคนละคนกันจะทําไงเรา ต้องมีความรู้สึกตัวตัวนี้ตั้งต้นจากตัว น, นี้ไปไกลไปขึ้นเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดคือความรู้สึกตัวที่สุดก็ตรงไหนที่สุดคื อ, อ, คอใช่ได้คือความรู้สึกตัวถ้าเราเรียกว่าหยาดว่าฌานก็ได้มีสติแล้วอะไรอยู่มีสติแล้วอะไรอยู่เช่นพระพุทธเจ้า พะนี่ใกล้จะปรีพันธ์ะพระอนุทัเป็นผู้เฉลยพระโจรทั้งหลายนั่งเฝ้าดูอยู่ว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ระหว่างฌานที่สช่ฌานที่ห้าต่อกันเรียกว่าซี่สุดของฌานระหว่างต่อหัวกันพระนีพผ่านที่ตรงนั้นถ้าเราตอบว่าพระเจ้าปรีพันธ์อยู่ที่ไหน แล้วจะตอบว่าอยู่ที่กุจิราลาไม่ถูกถ้าดำหลักธรรมะอยู่ที่ช า, ช า, ชานิี่สิ่ัานห้าต่ากันเขาเรียกว่าวิจัยยิทิอิโรเหนือการเกิดเจ็บตายเพราะอะไรมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่อยู่ตรงไห น, นอยู่ต้องมีสติไม่อยู่กับความเจ็บความตายไม่อยู่เลยอยู่กับสติอยู่อยู่ขออภัย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 ตามันจะพร่าจะเหลื่อขึ้นน้าใบปุม่มปากออกมาก็อ๋อเมื่อมันหายใจไม่ได้แล้วแล้วก็มันทิ้งซะเอารูปนี่เอาทิ้งซะเอาขันห้าทิ้งไปซะเอ้าเราทิ้งเราจะอยู่ไหนอยู่ตรงที้ไม่เป็นไรอันที่ไม่เป็นอะไรมีอะไรมีสติแล้วเราอยู่เราเอาทิ้งมาอยู่กับควรู้อยู่ต่อต้านก็เงียบไปเลยแล้วก็สมวันสีวันก็เห็น หมอก็าเอาโทกอกว่าสอดใจปากกเลยเออแต่ไม่รู้จักว่าเราหายใจนะห้องไอซโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอฟันทิพย์เนี่ยมาเนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลามีสติแล้วหรือยู่มีหรือยังพวกเราพวกทุกข์ก็เป็นของเราเหลืออะไรเป็นเราทั้งหมดเลยเรายกมือช่างกันกายเป็นเราเหรือกาย ว่าเราปวดเราเมื่อยเราอะไรเบื่อเป็นเราเหรอทุกข์ก็เราเหรอก็พระพุทธเจ้าเฉลยให้แล้วว่ากายจะว่ากายอ้ใช่จัดบุคคลโตจนหล่เขาเวทนามันจบมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยโอ้โตมก็เฉลยไว้ให้แล้วว่าเวทนาสักว่เวทนาไม่ใช่จัดบุคคลโตจนหลเขา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 เราเคขวนล้จอจะดูเคหาพกคมคิดใช่หรือไม่อันนั่นหรือมันเป็นใหญ่ไม่ใช่เลยเราจึงมาฝึกตัวนี้ฝึกความรู้สึกตัวทำก็จบว่าทำไม่ใช่จัดบุคคลตนเราเขาหวดีเราไปติดความสงบติดความรู้ติดหย่อนติดสงบเจ็บจความสบายก็อย่างนั้นหรือไม่ใช่เห็นมันที่ออมันจบ ก, ก็เห็นมันจบ เออมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์เห็นมันเห็นมันเป็นผู้เห็นมั น, เ ป, น, เ, น, มนเป็นผู้ดูมันเห็นเห็นเห็นการเห็นนี่หลุดพ้นแล้วถ้าเป็นหลุดพ้นมาได้เลยปฏิบัติให้ตั้งหลักนี่ไว้ให้ดีๆถ้าไม่ตั้งหลักดีหลุดไปเรื่อยเสียเวลาเนิ่นช้า ถ้ารู้สึกตัวเนี่ไม่เนิ่นช้าเลยทันทีมันหลงก็เห็นทันทีมันสุขมันทุกข์เห็นทันทีรู้สึกตัวรู้จึกตัวตัวรู้สึกตัวจริงๆมันเป็นภาวะที่เห็นเข้าใจว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ใช่บท่างนี้มันเป็นการเห็นเห็นแจกด้วยมันสุขก็มันสุขสุขที่ต่างว่าแล้วกันไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตัวเหมือนกันเลย บางทีเราก็สุขบางทีคนอื่นทุกข์ของเราเป็นทุกข์คนอื่นเป็นสุขของเราเป็นสุขคนอื่นเป็นทุกข์ก็มีเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่สาเหตุแห่งธรรมความรู้สึกตัวนี้เป็นของจริงอันประเสริฐเราจึงมาปฏิบัติกันเลื่อนต้นแต่ปัจลือถอนไปดูตั้งแต่เลื่อนโทษกายเวทนาจิตธรรมไปตั้งแต่นี้มันจะลือไป จนถึงเห็นรูปเห็นนามดังที่อาจารย์นั่นสอนอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปที่เป็นเป็นส่วนมหาพุทธูปเห็นนามว่ารูปที่มันเกิดจากอริยสัจนะรูปนามกับนามรูปต่างกันใช่ไหมรูปนามเนี่ยเป็นมหาพุทธลูปเป็นรูปอาศัยถ้าไม่มีรูปนามบรรลุธรรมไม่ได้เราจึงอาศัยรูปนามมาทาความดี เกิดที่นี่ที่รูปเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวก่อนละความชั่วแล้วถ้าเราเป็นความรู้สึกตัวก็ทําความดีแล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวจิขวววต ข, ของเราก็บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันสรุให้อย่างนี้ไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเห็นโลกทำเห็นนามทำเห็น นามวารูปนามวารูปเกิดจากอาจารย์ตรัสรัตรคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโ ล, ลกลสกลินเสียงสัมปัส อ, อารมณ์นามรูปเกิดที่ท่านเป็นขันธ์หน้าที่บูปทานเหมือนกันแต่นามว่ารูปนี่เราดับได้ตั้งแต่ปัะเด็นดับได้แล้วหยุดแล้วแต่รูปนามยังมีอยู่ทั้งดนใช่ยอยู่ตั้งใช่ประโยชน์ใช่ให้มันสำเร็จประโยชน์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 เห็นจากมาจะทัศดาษเห็นแต่ลักเท่าเราไปกลัวเราไม่อยากรู้ผลที่สุดเราก็ปิดบังตัวเองถ้าไม่เห็นจริงๆนะเห็นกวามไปเที่ยงโอ้ยเป็นปัญญาเอะไรที่มันไม่เที่ยงหายใจได้อยู่ทุกวันบันนี้หายใจไปไแล้วมันไปเที่ยงโอ้ยวันนี้มันไม่เที่ยงจริงเเอา้าเห็นจริงๆ หายใจไม่ได้เป็นทุกข์ไว้ลองดูสิมันทุกข์ไว้หายใจออกไปเข้าเลยเห็นความเปทุกข์เปทุกข์หรือไม่ใช่เป็นของจริงโอ้ยเนี่ยเห็นความเปทุกข์นะมันจริงเอ้าเราเลยไปทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนหลวงพ่อความเขียนหรือหลวงพ่อพระครูหรือเป็นอาจารย์ของคนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตน วางเลยวางเลยอาศัยได้กวาไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตวนเลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยเหมือนขยัหน้าบ้านเอาไปทิ้งใส่เอาอะไรไปทิ้งใส่กวาไมไเที่ยงกวามเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตว น, นเอาไปทิ้งแล้ว น, นั่นเลยสาธบริสุทธ์เลยปฏิบัติทำแค่นี้แหละไ ป, ตะตะไปแต่พื้นเตือไปถ้ารู้ทีหนึ่งก็ก้าวไปแล้ว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 เป็นบทพิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํำปัดการผู้ปฏิบัติย่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเด็นตามจงควรแจ่ผู้ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จํำปัดการอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีตอนเชา้าตอนเย็นอยู่กับพวกเราอยู่บ้านเขาอยู่กับตัวเราปฏิบัติคือทำมันคือเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ เปลี่ยนความทุกข์เป็นตัวลูกเปลี่ยนความอะไรเป็นตัวลูกเดิมที่ว่าปฏิบัติธรรไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่กับเราทุกคนอยู่กับเราทุกคนเนี่ยมาแสดงถนนอาจารย์เจริยาหลวงพ่อก็ถือว่าได้ที่พึ่งแล้วเห็นท่านยังหนุ่มดังแน่นหลวงพ่อก็หมดสภาพาแล้วอยู่ที่วัดเขาโอทิ่งแล้วตางคนมาจากวัดเขาไม่ใช่หลวงพ่อแล้ว อยู่อิสระมากแต่นะถ้าอยากสอนก็ไปนั่งสอนให้สอนตลอดเวลาเท่ากันเด่นะแต่เฉพาะเวลานี้คณะที่ขบวนมากที่สุดคือพยาบาลมากที่สุดอยู่นี่ก็มีทีมพยาบาลมากที่สุดน่าชื่นใจเพราะอาชีพพยาบาลนี่ก็คิดกับตำลนะใกล้ ค, คิดกับพระสงฆ์เหมือนเหมือนกัน ถ้าเพิ่มธรรมะเข้าไปจะได้เป็นรูปธรรมดีกว่าพระสงฆ์เองเพราะเห็นของจริงตลอดเวลาวันหนึ่งเราครบกับสิ่งที่ไม่ดีคนเจ็บคนป่วยอย่าลืมพ่อนี่โอยพยาบาลเหมือนเทพธิดาหลวงพ่อเลยทายแพทย์แพทย์หยิงเหมือนเทพประวดหลวงพ่อเลยเพราะพวกนี้เอาชีวิตหลวงพ่อเขินมาคิดอยูเ่เสมอว่าหลวงพ่อเป็นลูกของทุลา ลงโกนโลยทีเดียวจริงๆอ่ะไม่ใช่พูดความรู้สึกของเราจริงๆตอนนั้นเพราะด้านน่ะพวกเราเนี่ยเนี่ยสถาบันเนี่ยพยาบาลหมอเนี่ยควรที่จะเป็นผู้ที่สำคัญในการกอบกู้พุทธศาสตร์สลายตทุกคนเป็นคนใจเชื่อหมอเชื่อพยาบาลอาใจยเขาเพราะนั้นเนี่ยก็จึงถูกต้องแล้ว จะทุกคนด้วยไม่ใช่มออไพไ่บานให้ผอฝ่าเดียวพวกเราทุกคนยิ่งคราวาดผู้กองเรือนยิ่งจะเป็นต้องปฏิบัติธรรมตื่นแต่ดึกถึ่นแต่ตกอย่ารอให้เท่าให้แก่ถ้าเท่าแท้แก่แล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกพระนี้กำลังบรรลุธรรมดสี่สิบห้าสิบปีนี่ถ้าแก่ไปแล้วมันไม่ได้หรอกรีบซะหน่อยจากพวกเราเนี่ยูย่ยวนี้สมวันั์นเนี่ยสกลตครอีสานเหนือของเราเ เป็นน่าอบูนใจเราพ่อเคยมาที่สมัยสี่สิบกว่าปีมหาอาจารย์จะไยบวชใหม่ใหม่ถ้ำขามก็เคยไปอยู่แถบนี้มาหมดอาจารย์นกกรรมฐานต่างๆมาหมดเลยหลังจากศึกษาเลาง็เทียนแล้วพระกรรมฐานที่ไหนเขาสอนกันจะ ไ, ไปดูสิมหาโล อ, อผ่านไปมาอยู่ขึ้นหนึสองขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไป ไปติดอยู่กัหลวงพ่อชาวัดหนองข่ภูมิเออมาอยู่ที่นหลายวันถ้ากลับไปอา้าวยึดหนึ่งหลวงพ่อเทียนหนึ่งคือจะต บ, บักแล้วหนึ่งเดียวเทนั้นอาจารย์พอุดท้ายไม่เสาหาใครอีกเพราะเราเนี่ยอาจารย์เสวยยาเนี่ยมาอยู่ที่เป็นคนที่ด้วยหลวงพ่อเป็นคนใจภูมิออกจากบังเลยเดียวกันมาอยู่ใจภูมิอาจารย์ยาก็ อ, อยู่ตรง น, นี้ไม่ต้องไปไหนหรอก ถ้าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พวกเราเพรอยู่ที่ไม่เหยียบดินเลยก็ได้แต่เราไม่เอาเราะจะอยู่กับประชาชน